พุทธะตักรามเอกมวลที่แปดเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาว่าบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องประมสมโพธิกรถาต่อในครั้งที่แล้วนั้นได้พูดถึงปริเฉตที่สิบสี่ยังค้างอยู่ ปริเชษที่สี่เกี่ยวกับเรื่องยัศปะะระชาปริวัติก็การบวชของพะยศะะซึ่งได้พูดคราข้างไว้ถึงตอนที่ท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยศะะนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วประกาศตนเองนั้นเป็นอุบาสก จึงปรากฏว่าเป็นอุบาสกคนแรกในโลกประเภทเตวาจิกะอุบาสกคือขอถึงซึ่งพระตนตรัยทั้งสามเป็นสรณะที่พึงส่วนยะสกุณบุตรผู้เป็นลูกชายนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่บินดาของตนเองก็เทศกันเก่าที่ตนเองได้ฟังมาครั้งหนึ่ง ก็คือพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุปภีคถาและจัตุราริยสัจในขณะที่ตนเองฟังครั้งแรกนั้นเพราะเหตุที่ว่าเป็นการฟังครั้งแรกเมื่อไตรตรองขึ้นแล้วก็จึงได้สำเร็จเพียงเป็นพระโสดาบันเท่านั้นแต่ตอนที่องค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงต่อเศรษฐีพูดเป็นบินดาของตอนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยพระธรรมเทศนากันเดียวกันก็ได้ใช้ยานิส่งไปตามพระธรรมเทศนาปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระหันเศรษฐีผู้เป็นบิดานั้นเมื่อพบเห็นยสะเข้าก็จึงได้กล่าวว่าพ่อยะขอให้เจ้านั้นจงให้ชีวิตแก่มารดาหุ้น บรรดาเธอรบัตรนี้มารดาของเธอนั้นได้ข่มรวนถึงเธอเป็นอันมากขอให้กลับบ้านเพื่อให้ชีวิตแก่บารดายะสะกุลระบุรผู้นี้ก็จึงได้ศพพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธองค์ก็จินไดตรัสวันเศรษฐีท่านจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบัตรนี้นั้นอ่ยะยศะกุลระบุรผู้เป็นลูกชายของท่านนั้น หมดจากกิเลสอาสวะแล้วควรและหรือที่จะกลับไปครองฆราวาอีกเศรษฐีก็จึงได้กราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นลาบอันประเสริฐอย่างยิ่งแก่ยศที่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงอย่างนั้นดังนั้นข้าพระข้าพุทธองค์นั้นขออาราธนาพระพุทธองค์พร้อมกับยศขอพระอาราธนาพระพุทธองค์ซึ่งมียศ เป็นประชาสมณะนั้นไปสวยพระกยาหารที่บ้านในตอนเช้าวันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับด้วยดีศุดียภาพคือนิ่งรับด้วยดีศุเดียภาพคือนิ่งเศรษฐีทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงรับแล้วก็จึงได้นำมาส ก, การแล้วก็ทําประทศิลแล้วก็หลีกไป เมื่อเศรษฐีกลับไปแล้วยศะะกุลบุตรนั้นก็จึงได้ทูลขอบทพระองค์ก็ประทานให้โดยเอหิพิขุปสมัตาแต่ว่าการประทานเอหิอุสมะแอภพิขุปสมัตาให้แก่ยศะะกุลบุตรนั้นแปลกกว่าที่ประทานให้แก่ปัญจวคีทั้งห้าก็เพราะเหตุว่าปัญจวคีทั้งห้านั้นยังไม่หมดกิเลสอาสวะเป็นแต่เพียงว่าเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้น ส่วนยสักุลบุตรผู้นี้ได้สาเร็จกิเลสอาสวะแล้วอยู่จบชมพรหมจรรย์เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงประทานแต่เพียงคำว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมันเลากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดโดยหากล่าวว่าเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่เพราะเหตุที่ยะสักุลบุตรผู้นี้ย ะ, ะเถระผู้นี้ได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบแล้ว จึงไปอันว่ายะสะกุลบุตรนั้นเป็นพระอาหารหันต์องค์ที่เจ็ดเป็นพระอาหารหันต์องค์ที่เจ็ดเกิดขึ้นแล้วในโลกฝ่า ย, ายพระพุทธองค์ในตอนเช้านั้นพร้อมด้วยยะสะกุลบุตรยะสะเถระเป็นปัจฉาสมณนะก็ได้เสด็จไปอย่างบ้านของท่านเศรษฐี มารดาและพัญญาเก่าของยะสะเทระนั้นก็ได้เข้ามาถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งที่และนั่งอยู่ที่สมควรที่แห่งหนึ่งพระองค์ก็จึงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดโดยแสดงอนุปุกพีกถาและอริยสัจสีประการโปรดหญิงทั้งสองนั้นปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาหญิงทั้งสองนั้นก็ได้บรรลุเป็นโสดาปฏิพนันธ์ บรรลุโสดาปฏิพันธ์เป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ปฏิ ญ, ญาณตนเป็นอุบาสิกาขออนับถือพระรัตนตรัยทั้งสามเป็นสารณะที่พึ่งจึงนับได้ว่าหญิงผู้เป็นอุบาสิกาคนแรกหรือปฏิญาณตนเป็นอุบาสิกาคนแรกนั้น<ม>ก็ได้แก่มารดาและพัญยาเก่าของย ะ, ะเทระนี่เอง ในฝ่ายของอุบาสิกานั้นมีเพียงฝ่ายเดียวที่เป็นอุบาสิกาคนแรกคือประเภทที่เรียกว่าเตวาชิกะอุบาสิกามิได้มีโพธเวจิกะอุบาสิกาเหมือนกับอุบาสกเพราะฉะนั้นจึงนับได้ว่ามีอุบาสิกาคนแรกในโลกนั้นเป็นหญิงสองคนผู้นี้ท่านเศรษฐีพร้อมด้วย พันยานและก็หญิงสภพยจึงได้ถวายอาหารมิถุบาทอันประนีตแด่พระพุทธองค์กับยะสะเถระเมื่อจบพัตกิจเสร็จแล้วเมื่อจบพัฒกิจแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สดแต่แประทานพระธรรมกถาธรรมมีกถาเพื่อยังให้ชนทั้งสามนั้นได้ชื่นชมโสมนัสในทาน มินธบัติทานที่ตนเองบริจาคแล้วก็จึงได้สเสด็จกับมลึกขายาวันพร้อมกับยัศเทระ <c oughs> ก็ในพระนครสาวแอมพารานสีน <c oughs> ั้นเพื่อนของยัศซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีสืบสืบกันมาในตระกูลในเมืองพารานสีนั้นมีอยู่ด้วยกันเนี่ยสี่คนด้วยกันก็ได้แก่วิมละ สุภาหุปุณชิขวัมปติ <c oughs> ทั้งสี่ท่านนี้เป็นเพื่อนอันสนิทสนมของยะสะเทรพยะสะเทระในครั้งที่ยังเป็นฆราวาสวิสัยอยู่ได้ทราบข่าวว่าพระยาสะเทระเพื่อนของตนเองนี้ออกบวดในพระพุทธศาสนาจึงมาใคร่ครวนคิดว่าก็ศาสนาที่ยะสะเพื่อนของเราออกบรรพชานี้คงจะไม่เป็นศาสนาที่ ต่ำต้อยหรือว่าเลวทรามคงจะเป็นศาสนาที่มีแก่นมีสาระอย่างแน่นอนถ้ามิฉะนั้นและ้วยศะะก็คงจะไม่ออกบทหรือไม่ไมออกบรรพชาแน่เพราะอะไรเพราะว่าย ะ, ะผู้นี้เป็นลูกของท่านเศรษฐีมีบ้านอยู่ถึงสามหลังตามฤดูกันแล้วก็มีหญิงล้ว น, นเป็นนางบำเรอขับกล่อมดนตรีทุทกคืนทุกวัน ยายเล่าจะทิ้งความสุขอันเป็นโลกิยะวิสัยเช่นนี้ไปเป็นนักบวชหรือไปเป็นบรรพชิตที่ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายเพราะฉะนั้นาศาสนาที่หรือว่ารัธิรัฐิที่ยะคุณบุตรออกบทนี้ต้องเป็นรัฐิที่ประกอบไปด้วยคุณงามความดีมีสาระแก่นสารอย่างแน่นอนเมื่อเกิดความสงสัยเช่นนี้แล้วก็จึงได้พากันเข้าไปหา พยศะได้ไต่ถามดูพยศะก็จึงได้นำเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระองค์ก็ได้ทรงแสดงอนุปุพีคาถาและอลริยสัจจนกระทั่งให้ชนทั้งสี่เพื่อนของสี่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จึงได้ประทานอุปสมบทขึ้น่าได้ประทานอุปสมบทโดยเอหิภิกขุปุตสุมาถาให้ส่วนเพื่อนอีกห้าสิบคนอันเป็นชาวชนบท คือหรือว่าเรียกว่าอยู่ตา่างชันตาตามต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงคือไม่อยู่ในพระนครสาวรีคมีอีกประมาณห้าสิบคนซึ่งเป็นเพื่อนของยศั์แต่ก็ไม่ได้ปรากฏชื่อคือท่านไม่ได้กล่าวชื่อไว้ห้าสิบคนก็มีความคิดเห็นในทํานองเดียว ก, กันกับเพื่อนสี่คนอีกเหมือนกันก็จึงได้เดินทางเข้ามาหายาศา์มาถามไถย และพระยศะเถระนี้ก็จึงได้นำเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระองค์ก็ได้เทศนาสั่งสอนจนกระทั่งให้เกิดความเริ่มใส่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จึงประทานอุปสมบทให้ภายหลังพระองค์ก็ตรัสสอนจนกระทั่งเพื่อนทั้งห้าสิบสี่คนนั้นได้บรรลุอรหัตผลหมดได้กันทุกๆองค์หมดได้กันทุกองค์ทุกองค์ นนับได้วันในการนั้นภายในภาษานั่นเองก็มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก61องค์61องค์นี้ก็คือปัญจวัคคีย์ห้ายะสะพร้อมอพร้อมทั้งเพื่อนอีก55เป็น60และองค์สุดเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอีกหนึ่งพระองค์รวมแล้วเป็น61พระองค์ด้วยกันอยู่มาวันหนึ่ง หลังจากออกพรรษา อ, ออกจากวัสการแล้วคือการออกพรรษาแล้วจนล่วงขึ้นมาจนถึงเดือนกัติกา ม, มาสองค์สด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้เรียกพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่า อนุตรวิมุติธรรมที่ตถาคตบรรลุแล้วเธอทั้งหลายก็บรลบรลุแล้วบวงทั้งหลายทั้งที่เป็นของพิษทั้งที่เป็นของมนุษย์ตถาคตและเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปตามคา ม, มนิโคมชนบทต่างๆเพื่อประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เธอจงสแสดงธรรมอันมีคุณในเบื้องต้นธรรมกลางและที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งอัดและพยัญชนะแต่ว่าเธอนั้นอย่าได้ไปกันหนทางเดียวสองสององค์ด้วยกันเพราะเหตุที่ว่าสมาชิกเราเปนน้อยแม้แต่ฐาคตเองก็จะไปอย่างอุรุ เวลาเสนานิกมพระองค์ก็ได้ตรัสแล้วก็ได้ส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาจึงนับได้ว่าพระสาวกที่ไปประกาศศาสนานั้นในครั้งแรกนั้นมีอยู่ด้วยกันหกสิบท่านหรือหกสิบองค์พระองค์นั้นได้ส่งไปพร้มพรอมๆกันโดยเห็นว่าสมอาพระสาวกที่เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหกสิบองค์นี้พอมีจํานวนที่จะไปประกาศพระศาสนาได้แล้ว แต่ก็ยังไม่มากนักยังน้อยอยู่จึงตรัสว่าให้ไปหนทางละหนึ่งองค์อย่าไปหนทางเดียวกันสององค์นะให้ไปหนทางละหนึ่งองค์อันนี้ก็เป็นอันว่าจบในปริเฉดที่สิบสี่อันว่า ด, ด้วยยศบรรพชาปริวัตรในปริเฉดที่สิบห้า ในปริเฉตที่สิบห้านี้ว่าด้วยอุรุเวลาคัมมะนะปริวัติหมายความว่าตอนที่ว่าด้วยการเสด็จไปตำบลอุรุเวลาแขวงเมืองราชคิร์มหานครกล่าวคือตอนที่พระพุทธองค์นั้นทรงสมสาภาษาวกไปประกาศศาสนาในที่ต่างๆส่วนพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเซนนานิคมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น เมื่อออกพรรษาประวรณ์นาแล้วพอถึงวันแรมหนึ่งค่ำแห่งเดือนกตติกา ม, มาสก็คือเดือนสิบสองพระองค์ก็จึงได้ส่งพระสาวกหกสิบองค์นั้นไปประกาศศา ส, สนาส่วนพระองค์ก็ได้เสด็จไปสู่อุรุเวลาเสนานิคมเหตุใดพระองค์นั้นจึงได้เสด็จไปสู่อุรุเวลาเสนานิคมก็เพราะเหตุที่พระองค์นั้นต้องการจะเปรื่อง ปฏิญญาที่ให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารและต้องการที่จะปักหลักพระพุทธศาสนานั้นที่แคว้นมคตทะละักอันมีกรุงราชกละกนั้นเป็นเมืองหลวงแต่ว่าพระองค์นั้นไม่เสด็จไปโดยตรงไปปรกพระเจ้าพิมพิสาร ก็เพราะเหตุที่ว่ามาทรงพิจารณาดูแล้วว่าถ้าหากจะเสด็จโดยตรงไปไปไปโปรดพระเจ้าพิมิสารเลยผลจะได้ไม่มากเท่าที่ควรเพราะอะไรเพราะพระองค์มาพิจารณาดูแล้วว่าคนชาวแห่งมคธลัต์ในขณะนั้นเป็นผู้ที่นับถือในชดินสาพี่น้องซึ่งผู้พี่มีนามว่าอุรุเวรกกสปมากกว่าผู้อื่นผู้ใด เพราะฉะนั้นการที่ได้ไปจับเอาอาจารย์ซะก่อนให้อยู่ในกํามือซะก่อนแล้วก็ประกาศละทิแก่พวกบรรดาลุษาลุศิษย์ของของอาจารย์เหล่านั้นจะเป็นการง่ายดังนั้นพระองค์ก็จึงในมุ่งหน้าไปสู่รุเวลาเสนานิคมนั้นเพื่อที่จะไปโปรดอุรุเวลกระสปะหรือว่าฉดินสามพี่น้องรวมด้วยกันทั้งพันสามองค์นั้นก่อนและจะได้นําำชดินนั้น กลับมาโปรดพระเจ้าพิมิาสานอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพระองค์ก็จึงได้เสด็จมุ่งหน้าไปที่อุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางนั้นพระองค์ก็ได้ไปประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ในไร่ฝ้ายแห่งณที่นั้นก็ได้พบพัทวคีสามสิบองค์ด้วยกันซึ่งพัทวคีสามสิบองค์นี้เป็นพระราชโอรสแห่งพญามหาโกศลราช ร่วมบิดาเดียวกันกับพระเจ้าปะเสนทิโกสลแต่ว่าคนละมานดนาะพัะทวคีนี้มีประมาณในการสามสิบท่านสามสิบองค์ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งแห่งวงแห่งวงแห่งแห่งวงโกสนโกศนชนบทที่มีเมืองสาวถีเป็นเมืองหลวงนั่นเอง รวมในการสาสิบองค์ที่ได้ชื่อว่าพัทวัคคีนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าเจ้าชายทั้งสามสิบพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณหน้าตาสวยงามสสะสว ย, สว ย, ส, วยสวยงามหน้าทัศนาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นจึงในนามว่าพัทวัคีปแปลว่าผู้พวกที่มีความเจริญคือเจริญในรูปร่างและหน้าตาทั้งสาสิบองค์นี้ มีพระชายาถึงยี่สิบเก้าองค์แต่อีกพระองค์หนึ่งยังไม่มีพระชายาพัทวคีสามสิบองค์นี้พร้อมด้วยพระชายาพระชายานั้นกำหนดจะไปพักผ่อนหาความสํารางกันณที่ไรฝ่ายแห่งนั้นพัทวคีองค์หนึ่งที่ยังไม่มีพระชายานั้นก็จึงได้ไปจ้างเอาหญิงคณิกาหรือเรียกว่าหญิงแพทยานั้น มาเป็นมาเป็นคู่ชั่วคราวในการที่จะหาความสำราญตามโลกียาวิสัยจึงได้พากันไปพักผ่อนตามพระราชญาสัยาสนาทีลายายแห่งนั้นส่วนหญิงขณิกาผู้นั้นตนเองคอยกำหนดหรือคอยจ้องมองดยความเผลอของพวกพัทวคีพร้อมทั้งพรชชายาเหล่านั้นเมื่อเห็นว่าพัทวคีและพระชายาอย่างนั้น ถอดเครื่องประดับกองไว้มัวหาความสําราญเล่นกันอย่างเพลินตัวเองก็จึงได้ลักเอาห่อพันดัะนั้นหนีไปพวกพัทวาคีพร้อมถึงประชายาในขณะที่กําลังสําราญอยู่ก็เห็นว่าหญิงคณิกานั้นหายไปแล้วมองดูถึงทรัพย์สมบัติเครื่องประดับของตัวเองที่ถอดกองไว้ก็หายไปด้วยก็จึงได้พาดังติดตาม ติดตามแล้วมาพบพระพุทธองค์อ่าซึ่งนั่งประทับอยู่ที่ใต้ล่มไม้แห่งหนึ่งก็จึงได้เข้าไปถามพระพุทธองค์ว่าเห็นหญิงเดินผ่านมาทังนี้มั้งไหมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็จึงได้ตรัสถามว่าจะสแสวงหาหญิงคนนั้นประเสริฐ ด, ดีกว่าหรือว่าการสแสวงหาตนนั้นประเสริฐกว่าฝ่ายพระกุมารทั้งหลายก็ได้กราบทูลไป ว่าการแสวงหาตนนั้นประเสริฐกว่ากว่าการที่จะแสวงหาหญิงเมื่อพระราชกุมานั้นกราบทูลเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จิงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้นั่งลงพระองค์ก็เมื่อนั่งลงแล้วพระองค์ก็จึงใ้แสดงอนุปูพีกถาและอดิยสสีประกันปลด เมื่อจบพมเทศนานั้นปรากฏว่าธรรมมาพิสมัยคือการบรรลุธรรมนั้นก็ได้เกิดมีแก่พัทธวัคคีทั้งสามสิบซึ่งท่านกล่าวไว้ว่าอองค์ที่ได้บรรลุมรผลขั้นสูงสุดก็เป็นพระอนาคามีองค์ที่ได้บรรลุต่ำสุดก็เป็นพระโสดาบันไม่มีพัทธวัคคีองค์ใดที่จะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือไม่ได้เป็นพระโสดาบันและไม่มีพัทธวัคคีองค์ใดที่จะได้บรรลุพระราม ดังนั้นพัทวคีทั้งสามสิบก็จึงได้ทูลขอประธานอุปสมบทพระองค์ก็ประทานให้โดยเอกพิคุปสมัตาแล้วก็จึงได้ส่งไปประกาศพระศาสนาในข้อนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าพระอรหันตาสาวกหกสิบองค์นั้นที่พระองค์ทรงไปประกาศศาสนานั้น พระองค์อบรมจนกระทั่งที่เรียกว่าให้สําเร็จเป็นพระอรหัตตผลอเป็นพระอ่าสําเร็จอาหารหัตผลเป็นพระอรหันทุกองคเสียก่อนและจึงได้ส่งไปและการที่ส่งไปประกาศศาสนานั้นพระองค์ส่งไปหนนทางละหนึ่งองค์แต่สําหรับพัทธวคีทั้งสาสิบองค์นี้ยังไม่มีองค์ใดที่สําเร็จเป็นพระอรหรันสําเร็จอาหารหัตผลเป็นพระอรหันเลย แต่ว่าพระองค์ก็ส่งไปประกาศศาสนาก็เข้าใจว่าการที่พระองค์ได้กระทำเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าจะมัวอบรมบ่มนิสยัยจนกระทั่งปัญจวัคคีนี้สิ้นสุดจากกิเลสอาสวะแล้วก็จะเป็นการที่ทำให้เวลาของพระองค์เนะ่ะที่จะไปสู่รุเวลาเสนานิคมนะันเป็นการเนื่อนช้าไปประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งนั้น ที่พระองค์ไม่ได้ท่งส่งไปทั้งหมดทั้งกลุ่มสาสิบองค์เลยนั้นคือไม่ได้ตรัสให้ไปทางละองนั้นก็เข้าใจว่าเพราะเหตุที่ว่าพัทวคีทั้งสามสิบนั้นยังเป็นเสฆาบุคคลยังจะต้องบำเพ็ญเพื่อการให้เพื่อมรรคผลในขั้นสูงต่อไปอีกท่านจะส่งไปเพียงองค์เดียวนั้นอาจจะรักษาตัวเองนั้นลาบากก็จึงได้ส่งไปทั้งกลุ่มเลย ทั้งสามสิบองค์เลยก็ปรากฏว่าทั้งสามสิบองค์นั้นก็ได้ไปอยู่ไปประกาศศาสนาอย่างเมืองปาถานหรือว่าบางตำนานก็ว่าเป็นเมืองปาวาและพระสาวและพระพัทวคีทั้งสาสิบองค์นี่แหละเป็นต้นเหตุที่ให้พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาต ก, การการกฐินแก่พระภิกษุทั้งหลายเมื่อองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ได้ทรงพัทวคีทั้งสาสิบองค์นั้น ไปประกาศศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้มุ่งหน้าตรงไปอย่างอุรุเวลาเซนนานิคมอซึ่งที่เซนนานิคมนั้นก็มีอาสมของชดินผู้หนึ่งะคือฉดินผู้พี่ที่ได้ชื่อว่าอุรุเวลากัสปักฉดินชดินผู้พี่นี้ได้มีน้องชายอยู่สองท่าน แด้มีน้องชายสู่สังท่านท่านหนึ่งชื่อว่าณทีกสปะและน้องคนน้องคนสุดท้องนั้นก็ชื่อว่าขยากัสปะทั้งสามท่านนี้เดิมนั้นประชาชนทั้งหลายเรียกกันในในตอนที่เป็นครวัตเกิดในตระกูลพราหมณ์ทั้งสามท่านนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งกสปะโคตประชาชนทั้งหลายก็เรียกชื่อกสปะสปะเหมือนกันหมดเรียกชื่อตามโคต และทั้งสามพี่น้องนี้พี่ชายใหญ่มีบริวารห้าร้อยพี่ชายน้อยนั้นก็มีบริวารสามร้อยส่วนน้องคนสุดท้องก็มีบริวารสองร้อยทั้งสามท่านนี้ก็จึงได้เรียนจบตามลัที่ของพรามคือจบไตรเพศแล้วก็เป็นอาจารย์ที่บอกไตรเพศแก่บรรดาสาสุติทั้งหลายอยู่ต่อมาเมื่อพิจารณาถึงละทิของตนเองแล้วเห็นว่าเป็นของที่ลาสาระ ไม่เป็นแก่นสารก็จึงได้ละเลิกการบําเพ็ญหรือการสอนโดย เ, เวททั้งสามประการตามคมภีร์ของพรามนั้นถือเพศเป็นบนรรพชิตออกบทถือเพศเป็น บ, นบนรรบรรพชิตบวชขึ้นมาเป็นบวชที่เรียกว่าเป็นพวกฉดินคือที่เป็นพวกฉดินพวกนี้เวลาบวชนั้นถือเพศเป็นนักบวชนั้นไม่โกนผมและโกนหนวด รุ่มผมไว้เป็นกระเซิงบนศีรษะเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นนักบวชประเภทชนินหรือที่เราเรียกกันตามความเห็นของชาวไทยว่าเป็นพวกลือสีเป็นพระลือีนั่นแหละแต่ความจริงพระลือีนี่เป็นชื่อของนักบวชเป็นชื่อคํารวมๆแม่พระที่บวชในพุทธศาสนาก็จัดว่าเป็นลือสีได้คือเป็นนักบวชเป็นผู้แสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ่ ก็จึงได้บวชเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้อยู่รวมกันเพราะว่าบริวารมากก็จึงได้สร้างอาสมอยู่ในที่ห่างกันคนละแห่งพี่ชายใหญ่นั้นอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นทางต้นน้ําแห่งแม่น้ําเลนลัญชลาจึงได้ชื่อตามสถานที่ว่าอุรุเวลาเกสตปะชื่อตามสถานที่ส่วนน้องชายคนกลางนั้นชนินผู้คนกลางนั้น ก็สร้างอาสมอยู่ติด ก, กับแม่น้ำในลัญชลานี้ประชาชนทั้งหลายก็จึงในเรียกกันตามสถานที่ว่านทีกสปักนาทีแม่แปลวมแม่น้ำเพราะเหตุที่ว่าตั้งอยู่ที่อาสมของอาสมตั้งอยู่ที่ลินแม่น้ำในลัญชลานส่วนน้องน้องชายคนเล็กหรือคนน้อยนั้นตั้งอยู่ที่หัวโค้งแม่น้ำขยา หรือที่อยู่ที่ตำบลขยะศรีศัะประเทศก็คือว่าแม่ น, มน้ําเนรันเชลานี้เองเมื่อไหลผ่านตัวเมืองของขยาจังหวัดขยาก็จึงได้เรียกกันว่าแม่น้ําขยะอยู่ที่ตอนหัวโคกตั้งอาสมอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นประชาชนก็จึงได้เรียกประชาชนนั้นได้เรียกตามสถานที่ว่าขยากระสปะ ก็เพราะตั้งอาสมอยู่ที่ขยาหัวโคงขยะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้านั้นพระองค์ได้เสด็จเข้าไปยังอาสมของชดินผู้พี่ชายพี่ชายใหญ่ก็คืออุรุเวลกัสปะได้ไปขอที่พักที่สำหรับจะพักในตอนแรกๆนั้นอุรุเวลกัสปะ ผู้ชนดดินนั้นก็ไม่ปรารถนาที่จะให้พักเพราะเห็นว่าเป็นนักบวชคนละทิองค์ทุณิปพ์ปสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าธรรมดานั้นนกก็ย่อมยอมเข้าไปสู่ฝูงนกเนื้อก็ย่อมเข้าไปสู่ฝูงเนื้อกาก็ย่อมเข้าไปสู่ฝูงฝูงกานักบวชก็ย่อมยอมเข้าไปสู่ฝูงของนักบวช ด, ดังนั้นเมื่อชนิน ชะดินผู้พี่คืออุรุเวลากระปะไม่สามารถที่จะทัดฐานได้ก็จึงได้กล่าวว่าสถานที่จะพักนั้นไม่มีมีแต่อาสมหรือว่าสลาสำหรับที่บูชาไฟอยู่เพียงแห่งเดียวซึ่งในสลานี้มีพญานาคตนหนึ่งซึ่งมีมีความดุร้ายโหดร้ายมากและมีพิษมากองค์สุเดระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่า พระองค์สามารถที่จะพักอยู่ได้พระองค์ไม่กลัวต่อภัยอันตรายเช่นนี้ดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ชดินก็จึงได้อนุญาตให้พระองค์นั้นพักอยู่ที่โลงบูชาไฟในค่ําคืนวันนั้นเองพญานาคนั้นเห็นมีคุณมาพักเข้าก็เกิดความโกรธก็จึงได้พ้นพิษเนี่ยใส่พระพุทธองค์พระองค์ก็จึงได้ชาย มโนโมยิธิคือฤทธิ์อันที่พระองค์หรือว่าอานุภาพแห่งความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าได้สู้จนกระทั่งพญานาคนี้หมดพยศนะยอมแพ้ในกลงคืนวันนั้นเองชัดินได้เห็นลัสมีโลงคือว่าพิษที่พญานาคได้พ่นเป็นไฟนั้นเหมือนกับว่าจะเผาพระอาสมก็จึงได้คิด ปรงสังเวทว่าพระสมณะซึ่งมีรูปร่างงามนี้จะต้องมาสูญสิ้นชีวิตเพราะอำนาจของพญานาคแต่แล้วแต่พอตอนรุ่งเช้าเขาก็จึงมาพบพระองค์ก็เห็นว่าพระองค์นั้นยังทรงพระชนมายุอยู่ก็จึงได้ไต่ถามพระองค์พระองค์ก็จึงได้แสดงว่าพญานาคนั้นไม่ใช่มีฤทธิ์ที่จะสู้พระองค์ได้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อน ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกขั้นด้วยกันขอเจริญพรจเจริญสุขท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาพูดถึงบทเรียนของประถมสมโพธิกถาต่อในครั้งที่แล้วนั้น ได้พูดค้างอยู่ในบริเขตที่สิบห้าตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้านั้นได้ปราพยานาคซึ่งมีฤทธ์ซึ่งพวกชา ด, ดินทั้งอางชา ด, ดินผู้พี่อุรุเวลกัสปะพร้อมด้วยบริวานนั้นบูชาอยู่จนกระทั่งที่ว่าหมดพยศลาบขาบซึ่งในตอนรุ่งคืนเช้านั้นอุรุเวลกัสปะ ดินพร้อมด้วยบริวารทั้งห้าร้อยก็มาอย่างอาสมอันเป็นที่บูชาฝ่ายนั้นโดยในครั้งแรกนั้นเข้าใจว่าพระองค์นั้นคงจะสิ้นชีวิตแล้วคงจะสิ้นพระชนจะแล้วแต่ว่าเมื่อมาเห็นพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็เกิดความแปลกใจจึงได้ทักแอนจึงได้ไต่ถามทูลถามดูพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะปราพญานาคให้ได้แล้ว อุรุเวลักสะปะนั้นก็จึงกล่าวชมพระพุทธองค์ว่ามีฤทธานุภาพมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามองค์ทุมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังเป็นพระรหันต์สู้ตนไม่ได้อุรุเวลักสะปะผู้นี้คิดว่าตนเองนั้นเป็นพระรหันต์ก็จึงได้กล่าวเช่นก็จึงได้นกเช่นนั้นองคุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ประทับอยู่ ที่อาสมของอุรุเวลกัสปะนี้ประมาณสองเดือนทรงแสดงอภินิหารต่างๆนาน า, นาประมาณได้ถึงสอง้อยห้าสิบประการแต่ว่าอุรุเวลกัสปะนี้ก็ยังมีทิฏีอันแหลงกล้าถือว่าตนเป็นพระอรหันต์ออกปากชมว่าองค์รพรจพุะสัมมาสัมพุธเทธเจ้านั้น มีอิทธานุภาพมากแต่ก็ยังเป็นพระอรหันต์สู้ตนไม่ได้พระองค์ก็ทรงดําริว่าถ้าหากไม่ทําให้อุรุเวลกัสปะเนี่ยเกิดความสังเวชแล้วโมคะบุรุษพุทธนี้ก็จะไลาซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างแน่ดังนั้นในวันหนึ่งพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าดูก่อนอุรุเวลกัสปะตัวท่านนะ่ะไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะ และการปฏิบัติหรือปฏิบัทาของท่านนั้นก็ไม่ใช่ทางที่ปฏิบัติที่จะให้บรรลุมรรคผลมิพานที่จะให้เป็นพระอรหันต์ได้เหตุใดท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์อยู่อีกเล่ะอุรุเวลกักษ์สมปะได้สดับพุทธโอวะเช่นนี้แล้วก็จึงคิดได้จึงซบเสียสิษะของตนเองลงแทบพระบาทแล้วก็กราบทูลขออุปสมบท คือยอมที่จะเป็นสาวกด้วยแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าตัวเธอนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งชนดินทั้งห้าร้อยการที่เธอจะบอกกล่าวใหย้ยินยอมแต่เพียงตนเดียวนั้นเป็นการที่ไม่สมควรขอให้เธอนั้นจงไปปรึกษาพวกบรรดาสานุสิกดูก่อนตถาคต เมื่อสานุสิตทั้งหลายยอมพร้อมใจกันด้วยตถาคตจึงจะบวชให้อุรุเวลากระสปะนั้นก็จึงได้ทูลลาบกลับไปยังอาสมแล้วก็จึงได้บอกกล่าวแก่บรรดาสานุสิตว่ารัตที่ที่ตนเองประพฤติอยู่นั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่ไร้สาระไม่ใช่หนทางที่จะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่ารัตที่ในองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นลัต ท, ที่มีแก่นสาร เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะบวชในละทิของพระองค์พวกฉดินทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นศิษย์ทั้งห้าร้อยนั้นก็ยินยอมพร้อมใจกันดังนั้นฉดินทั้งห้าร้อยซึ่งมีกัสปะอุรุเวลกัสปะเป็นประธานนั้นก็จึงได้พากันลอยเครื่องชนดินบริขารซึ่งเรือเครื่องฉดินบริขารแลวก็โกนหนวดโกนผม แล้วก็นาอ่านแล้วก็มาสู่สมนักของพระพุทธองค์ทูลขออุปสมบทพระองค์กระประทานให้โดยเอหิภกมิสมบัติทั้งสองเอทั้งสิ้นด้วยกันฝ่ายน้องชายคนที่สองคือนาทีกัปะอยู่อย่างริมแม่น้ำทางตอนใต้ของแม่น้ำได้เห็นอัดได้เห็นเครื่องบริขารของชะดินลอยมา ซึ่งมีทั้งหาบมีทั้งผมมีทั้งหนวดมีทั้งหนังเสือผ้าหนังเสือต่างๆ น, นานานั่นก็คิดขึ้นได้ว่าที่เหนือแม่เนื่อน้าเหล่านั้นมีอาสมของชันดินเพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือพี่ชายของเราการที่บริขารลอยมาชน่นนี้ก็คงจะเกิดเหตุร้ายแก่พี่ชายของตอ น, เ ป, นเป็นอย่างแน่นอนก็จึงได้พาบริวารทั้งสามอยนั้น มายังอาสมของพี่ชายเมื่อมาถึงแล้วก็เห็นพี่ชายพร้อมโดยบริวาร น, นั้นบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาทั้งหมดก็จึงได้เข้าไปสอบถามเมื่อได้ความตามที่พี่ชายบอกแล้วว่าว่ารัิที่บำเพ็ญอยู่นั้นเป็นของสายสารัก็จึงได้มีความคิดเห็นตามพี่ชายด้วยจึงพร้อมโดยบริวาร น, นั้นลอยเครื่องบริอาบริขารของชันดิน ลงในแม่ น, มน้ําเนรัญชาลาเช่นกันแล้วก็ทูลขออุปสมบทต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทั้งหมดพระองค์โปรประทานอุปสมบทให้น้องชายคนเล็กคือขยยากสปะซึ่งอยู่ท้ายสุดคืออยู่ที่หัวโค้งแม่น้ํำชลาอันแม่ น, มน้ํำเนรัญชาลาหรือแม่น้ําขยยาได้เห็นบริขารของเจดินลอยมาเช่นนั้น กนนึกได้ว่าคงจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแก่พี่ชายก็จึงได้พาสานุปสิทธิ์ของตนเองนั้นสองร้อยท่านเดยวยกันมายังอาสงของพี่ชายคนกลางพี่ชายคนที่สองคือที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาแต่ปรากฏแล้วมาเห็นอาสงของพี่ชายนั้นว่างเปล่าไม่มีใครเลย ก็จึงได้เดินภาลุสิทธ์เดินของตนของตนเองเดินต่อมาอย่างอาสมของพี่ชายใหญ่มาเห็นพี่ชายทั้งสองพร้อมด้วยบริวาร น, นั้นบวชเป็นพระพิสุในพุทธศาสนาหมดแล้วก็จึงได้เข้าไปสอบถามเมื่อได้ความแล้วก็จึงได้กระทําเหมือนกับพี่ทั้งสองคือลอยอัถฐเครื่องบริขารของเจ ด, ดินแล้วก็บวชในพระพุทธศาสนาองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ประทับอยู่ที่อุรุเวลกัสสะอาสมนั้นพร้อมด้วยภิกษุหนึ่งพันกระสามรูปพอเป็นเวลาสมควรเมื่อเห็นว่าภิกษุทั้งหนึ่งพันสามรูปนั้นมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วพอที่จะได้สนับพระธรรมเทศนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นสูงได้แล้วก็จึงได้พาพระภิกษุ ผู้เป็นชันดินทั้งพันสามรูปนั้นมาอย่างขยาศีสะประเทศซึ่งขยาศีสะประเทศนี้เข้าใจว่าคงจะมาอย่างอาสมของน้องชายองค์เล็กพระองค์ก็จึงได้เรียกพระพิสุผู้เคยเป็นชันดินทั้งสามทั้งพันสามรูปนั้นมาไปชุมพร้อมกัน พระองค์ก็จึงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระธรรมเทศนากันนี้มีชื่อว่าอาทิตตปริยายาสุขซึ่งพระสูตรนี้บรรยายถึงเรื่องความร้อนเหตุใดองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงอาทิตต์ปริยายาสุขนี้โปรดพระพิสุทั้งพันสามลูกองค์นี้การที่พระองค์เลือกเอาพระธรรมเทศนาในเรื่องนี้ ก็เพื่อจะให้ตรงกับอุปนิสัยของภิกษุผู้เคยเป็นชดนนทั้งพันสามรูปเพราะอะไรเพราะภิกษุทั้งหนึ่งพันกับสามรูปนี้บูอาบบำเ พ, พ็ญพศตอนที่เป็นชันนินั้นบำเพ็ญพศโดยการบูชาไฟอัธยาสายชอบเป็นในเชิงของร้อนดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดง ของร้อนหรือว่าความร้อนนั้นเพื่อให้ถูกอัธยาศัยของพวกพิกษุที่เคยเป็นฉดินเหล่านี้ดังนั้นจึงได้แสดงอาทิตตปริยายสุขแต่ในอาธิตตปริยายสุรที่พระองค์แสดงถึงความร้อนนี้ทรงแสดงความร้อนภายในภิกษุที่เคยเป็นฉดินนี้เคยบำเพ็ญตบะโดยการบูชาไฟนั้นมันเป็นความร้อนอไฟนั้นเป็นความร้อนภายนอกแต่พระองค์ทรงแสดง ไฟในภายในไฟคือความร้อนในภายในในอาทิตตปริยายสูตรนี้พระองค์ทรงยกอ่าทรงยกจักขุขึ้นเป็นต้นที่เรียกว่าอินทรีย์ภายในและภายนอกขึ้นว่าเป็นของร้อนวัสพังพิกเวอาทิตตังภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนอะไรเราเป็นของร้อน จากขงอาธิตังจากสุเป็นของร้อนลูปาอาธิตารูปก็เป็นของร้อนเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พระองค์ทรงยกยกอายตนะภายในหกภายนอกหกขึ้นกล่าวว่าเป็นของร้อนร้อนนําเพราะอะไรเพราะไฟร้อนเพราะไฟไฟมีด้ยวยกันทั้งหมดกี่กองก็มีด้ยวยกันสามกอง คือราคะราคะคิโทสักคิโมหคินี่ร้อนเพราะไฟสามกองซึ่งเป็นเหตุทาให้ร้อนและนอกจากนั้นและยังร้อนเพราะเหตุชาติชลามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมณตสักอุปายาสะด้วยนี่เป็นของร้อนจากสุร้อนอย่างไงดวงตาเป็นของร้อนเพราะตาเหล่านี้ต้องการที่จะดูสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อไปกระทบรูปแล้วไปประทบรูปที่เกิดความพอใจขึ้นไฟคือราคะก็เกิดถ้ากระทบรูปที่เป็นศัตรูกันหรือไม่พอใจไฟโทสะก็เกิดเมื่อไฟราคะเกิดไฟโทสะเกิดขึ้นแล้วไฟโมหะก็เกิดพลอยเกิดด้วยเพราะเหตุที่ว่าไม่รู้ตามสภาพเป็นจริงจึงได้เกิดราคะและโทสะเช่นนั้นขึ้นนี่พระองค์ทรงสแสดงทรงสแสดงถึงเรื่องความร้อน ในเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นปรากฏว่าชดินทั้งสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารอีกหนึ่งพันองค์นี้จิตใจได้พ้นจากกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงจิตใจพ้นจากกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระหันด้วยกกันหมดทั้งสิ้น นี่แหละองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อพระองค์จะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดไขนั้นต้องตรวจดูอุปนิสัยซสยก่อนดังนั้นพระพิสุผู้เคยเป็นชนินทั้งพันสามองนี้จึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ยากนกะเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ถูกกับอุปนิสัยขอ ง, ของตนองค์สุเดจพสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้พักอยู่กับ ภิกษุผู้เป็นบริวารที่เป็นชนินนั้นหนึ่งพันกระสามองค์ที่ขยาศีสะประเทศพอตามอัทยาศัยพระองค์ก็พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นดำเนินออกจากขยาศีสะประเทศมุ่งตรงสู่กรุงราชกุลเพื่อที่จะปลดพระเจ้าพิมพิสารต่อไป พระองค์ได้ทรงพาพระพิสุนันหนึ่งพันกับสามลูกสเสด็จไปยังกรุงราชคลือประทับอยู่ที่ลัตธิวันโดยประทับอยู่ที่ลัตธิวันโดยพระประสงค์ที่จะเปลื้องปฏิญญาณที่ให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารเมื่อสเสด็จไปถึงที่รัตเสด็จไปถึงลัติวันอุทยานแล้วคนเฝ้าสวน ได้เห็นพระพุทธองค์พร้อมด้วยภาษาวกเป็นอันมากสเสด็จมามาถึงก็จึงได้นําเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลต่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นพร้อมด้วยบริวารซึ่งเป็นเศรษฐีขหาบดีและพราหมณ์ทั้งหลายจํานวนประมาณสิบสองหนหุตนสิบสองหนหุตนี้ก็คือประมาณสิบสองหมื่นหนหุ่นหนึ่งประมาณหมื่น เป็นบริวารได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ยังที่รัตทิวันรัตทิวันนี้แปลว่าสวนตาลหนุ่มตามที่เราได้ไปแปลกันหรือว่าเรานั a นแม้แต่พระมา ก, ก็แปลว่ารัตทิวันนี้แปลว่าสวนตาลนุ่มหรืออุทยานที่อุทยานพระรอุทยานอันเป็นสวนตาลนุ่มแต่ตามคมภีร์ของออินเดีย เลังกาและก็โรมันนั้นแปลว่ารัิวันนี้แปลว่าสวนไม้ตะพดพระเจ้าพิมีสารพร้อมด้วยบริวาร น, นั้นก็ได้เสด็จไปเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์อยู่ที่รัิวันนั้นส่วนบริวาร ท, ทั้งที่สองหมื่นนั้นแสดงอาการแตกต่างกันคือบางคนก็ทูลถามชื่อและโคตของพระองค์บางคนก็ยกมือขึ้น น, นมัสการ ประกาศชื่อโคดของตนบางคนก็นิ่งเฉยๆบางคนก็กล่าวสมโมธนียกถาถามถึงเรื่องสุกถูกสุกดิบที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายังเกิดความสงสัยอยู่ว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นอาจารย์หรือเป็นศิษย์ของอุรุเวลกัสปะซึ่งรุเวลกัสปะนี้ตนเองเคยนับถือเป็นผู้ที่ตนเองได้นับถือมา ก็ยังไม่ทราบแน่ว่าใครเป็นลูกศิษย์ของใครเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ได้ยังไม่ทราบว่าการที่มานี้ใครจะเป็นผู้ที่สั่งสอนหรือจะเป็นอาจารย์กันแน่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรวจดูแล้วก็เห็นว่าบริวารของพระเจ้าพิมิสารทั้งหมดนี้ยังไม่สมควรที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาต่อไปดังนั้นพระองค์ก็จึงได้เรียกอุรุเวละสปะขึ้นมา เพื่อที่จะให้ประกาศความที่ตนเองนั้นเป็นศิษย์พระองค์ก็จึงในถามว่าดูก่อนอุรุเวลกัสปะเธอนั้นอยู่ในอุรุเวลามานานเป็นอาจารย์ของศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมไปด้วยกําลังพลเธอมีความคิดเห็นอย่างไรจรึงได้ละการบูชาไฟเสียพระมหากัสปะแห่พระอุรุเวลกัสปะจึงได้กราบทูลว่าการบูชาไฟนั้น เป็นการสรรเสริญเรื่องกรรมคุณรับพระองค์เห็นโทษอย่างนี้ก็จึงได้ละการบูชาไฟเสียพระองค์จึงตรัสถามว่าเมื่อเธอไม่หวังเรื่องกรรมคุณเธอหวังอะไรหรือหวังอ่าหวังสวรรค์หรือว่าฝังอะไรหรือว่าความสุขอันเป็นทิพย์อย่างไรพระมหาตัสปะก็บอกว่าตนเองนั้นไม่ได้มีความหวังอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นไปในทํานองกิเลส พระองค์นั้นในตนเองนั้นได้ตัดขาดซึ่งความต้องการเหล่านั้นแต่แล้วก็จึงได้กราบลงที่พระบาทของพระองค์และประกาศตนว่าตนเองนั้นเป็นสานุษิ์หรือเป็นลูกศิษย์แต่พระองค์นั้นเป็นพระศาสดาเป็นพระบรมศาสดาของตอนเองดังนั้นเมื่อบริวารของพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังขาจากคําหรือจากปากคำของท่านอุรุเวลกัสปะเถระเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ทราบแน่ว่า พระพุทธองค์นั้นเป็นอาจารย์ก็จึงได้นั่งด้วยความเคารพพร้อมที่จะรับฟังพระสัธระธรมเทศนาซึ่ต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงได้แสดงมหานาระทชาดกและอริยสัจสี่ประการนั้นโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่า พระเจ้าพิมพิสารนั้นพร้อมกับบริวารสิบเอ็ดหมื่น 11, 000, หรือสิบเอ็ดนหุดนั้นได้บรรลุโสดาปฏิพันธเป็นพระโสดาบันส่วนอีกนหุดหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งนั้นได้เพียงเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเท่านั้นได้เพียงเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเท่านั้น ในการนั้นเองพระเจ้าพิมพิสารก็จึงได้กราบทูลความที่ที่พระองค์นั้ น, ส ม, น ส, มมสมหวังดังที่พระองค์ได้ปรารถนาไว้สําเร็จความสงหวังดังที่พระองค์ได้ปรารถนาไว้ตั้งแต่ตอนที่พระองค์นั้นยังเป็นพระราชกุมารอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าข้อความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสารห้าข้อนั้นก็คือหนึ่งขอให้ข้าพเจ้านั้นได้รับ อภิเศกเป็นพระราชาแห่งมคธทลักษ์สองขอให้พระอาหารหันต่สั ม, มาสัมพุท ธ, ธเจ้าจงเสด็จมาอย่างแว่นแคว้นของข้าพเจ้าสาขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปนั่งใกล้พระอาหารหันต์พระองค์นั้นสขอให้พระอาหารหันต์พระองค์นั้นจงสแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าและห้า ขอให้ข้าพเจ้านั้นไ ด, ได้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระอาหารหันต์ทรงสแสดงนั้นความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสารนั้นห้าข้อเดียวกันข้อที่หนึ่งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้รับอนได้สงความปรารถนามาแล้วเป็นเวลานานแต่อีสีข้อนี่แหละเพื่องจะมาได้รับสงความปรารถนาในครั้งนี้ ทำไมพระเจ้าพิมิสาจรจึงได้รับครั้งนี้และทำไมพระเจ้าพิมิสาจรจึงปรารถนาอย่างนั้นในข้อแรกนั้นขอให้พระเจ้าได้รับอภิเศกเป็นพระราชาในมครทัลลัตนั้นอันนั้นเป็นหลักธรรมดาของลูกของพระราชามหากษัตริย์ก็หวังที่จะเป็นใหญ่เป็นพระราชาสืบต่อพระราชบิดาต่อไปอันนี้ก็เป็นแบบที่ความปรารถนาของปุถุชนทั่วไปแต่สี่ข้อข้างท้ายนั้นเกี่ยวกับพระอรหันต์ทางนั้น ทำไมพระเจ้าพิมพิาสานจึงประทนาอย่างนั้นสำหรับในข้อนี้นั้นก็เพราะเหตุว่าในกรุงราจจฤคลนั้นเป็นเมืองใหญ่มีศาสดาที่เป็นเจ้าละทิอยู่มากมายประกาศศาสนาประกาศคําสอนแล้วก็ประกาศตนเองนะ่ะเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นแม้กระทั่งนักบวชบางประเภทที่เรียกว่าไม่นุ่งผ้งาโหมผ้าก็ประกาศตนเป็นพระอาหารหันต์จนพระเจ้าพิมพีาสานนี้ไม่ทราบแน่ว่าใครเป็นพระอาหารหันต์กันแน่ เป็นพระอาหารหันต์จริงหรือเป็นพระอาหารหันต์ปลอมเพราะตนเองนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าคุณธรรมของพระอาหารหันต์เป็นอย่างไรจรึงได้ปรารถนาเช่นนั้นเพราะฉะนั้นที่ว่าพระเจ้าพิมิสารสงวามปรารถนาเช่นนี้นั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าพิมิสารนั้นเมื่อได้สดับตรัพฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงโปรดแล้วเทศนาโปรดแล้วนั้นตนเองนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรม คือเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาคือเป็นพระโสดาบันนั่นเองบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าได้รู้แจ้งแทงตลอดถึงธรรมะที่พระอาที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงแสดงตามหลักของความเป็นจริงเมื่อตอนเองได้รู้แจ้งเช่นนี้แล้วก็จึงได้หมดความสงสัยเชื่อแน่ว่าพระพุทธองค์นี้แหละคือพระอัจธรรมตระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะอะไรเพราะพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงนั้นยังไม่มีผู้คนใดบุคคลหนึ่งในโลกเลยที่แสดงมาก่อนก็คืออริยสัจสิ่อริยสัจสีนั้นพระองค์นั้นได้ฟังพระองค์เป็นครั้งแรกหรือพระองค์ได้ทรงแสดงเป็นพระองค์แรกก็จึงได้เชื่อได้แน่ว่าอริยสัจสีนี้พระองค์นั้นได้ตัดสินลุ้ด้วยพระองค์เองจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็เป็นอรหันต์นั้นก็เพราะเหตุที่ว่าหมดจดไปจากกิเลสนั้นเลยหมดจดไปจากพระไทัยของพระองค์โดยประการทั้งปวงดังนั้นสําหรับอ ร, ริยบุคคลขั้นต้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์สัทธามีความเชื่อมั่นในพระธ ต, ตรมเทศนอย่างแท้จริงอันนี้แหละเมื่อว่าพระองค์ได้เสด็จมาตนเองได้บรรลุดวงตายให้ธทำแล้ว ความปรารถนาทั้งสี่ข้อนั้นก็จึงได้สําเร็จก็คือหนึ่งพระองค์นั้นก็เป็นพระหลานตะสัมมาสัมพุทธเจา้าประการที่สองก็คือตอนเองได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธองค์ประการที่สามพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมปลดและประการที่สี่ตนเองก็ได้รู้แจ้งถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้น4ข้อนี้จึงได้สําเร็จเป็นได้สําเร็จในครั้งนี้เอง ดังนั้นความปรารถนาของพระเจ้าพิมิสารตั้งแต่ตนเองยังเป็นพระราชกุมารอยู่นั้นก็จึงได้สำเร็จดังนั้นตนเองก็จึงได้ประกาศพระเจ้าพิมิสารนี้จึงได้ประกาศความปรารถนาอันนี้แหละให้องค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบความสำเร็จของตอนเองด้วยความที่ยินดีและล่าเริงเมื่อทรงแสดงประกาศ ความปรารถนาของตนเสร็จแล้วก็พร้อมกันแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อพระเจ้าพิมพิสาร น, นั้นได้แสดงตนเป็นอุบาสกแล้วก็จึงได้ทูลอาราธนาพระองค์พร้อมด้วยพิสุสง์ทั้งหมดเพื่อการเสวยพระกยายารในวันลุ่งขึ้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับโดยอาการดุสนียภาพทรงรับ้วยาการดุษนียภาพก็คือทรงนิ่งพระเจ้าพิมิสารนั้นทรงทราบว่าพระองค์ทรงรับแล้วก็กระทำอภิวาทแล้วก็ทำประทักษิณพร้อมโดยบริวารก็จึงได้เสด็จกลับสู่พระราชวังสําหรับในบริเขตที่สิบห้านี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ ส่วนในปริเชตที่สิบหกนั้นว่าด้วยอัครส า, าวกบรรพชาปริวัติในปลิวอปริเฉศที่นี้ว่าถึงตอนที่การบวชแห่งพระอัครสาวกทั้งสองได้แก่ตอนที่พระสารีบุตรกัพโมคลานะได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นอาคาัครสาวกในตอนลุงขึ้นเช้าตอนนั้นในลในตอนลุงขึ้นเช้านั้นเมื่อพระเจ้าพิมิสารได้ให้บริวานนั้นได้จัดแจงพระกยาหาันที่จะถวายแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุนันพร้อมแล้วก็จึงได้ส่งราชบุรุษนั้น ไปกราบทูลเสด็จหรือกราบทูลถึงเวลาการฉันอาหารอันนี้เป็นเวลาเป็นประเพณีอันหนึ่งในครั้งพุทธกาลนั้นเมื่อการนิมนต์พระเพื่อจะฉันอาหารในตอนใดก็ตามเมื่อถึงเวลาอาหารพร้อมแล้วที่พระภิกษุสงฆ์จะฉันได้แล้วผู้นิมนต์นั้นต้องมาบอกอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าพิมพิสารในตอนเช้าก็จึงได้ส่งราชบัลลุดไปอาราธนาพระพุทธองค์ว่าบัดนี้ถึงการเวลาพัดแล้วหรือพัตกาลแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวาร น, นั้นก็จึงได้เสด็จสู่พระราชนิเวศ ข, ของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นทรงถวายพระตาหารอันประนีด้ว ย, ด, วยด้วยพระองค์เอง เมื่อพระองค์นั้นได้ทรงทำพัฒนาจิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็จึงได้กราบทูนว่าบัดนี้ตนเองนั้นไม่สามารถที่จะว่างเว้นจากพระตนะไตรได้แต่การที่พระองค์จะเสด็จอยู่ที่ลัตทิวันนั้นมันเป็นการลาบากยากที่เมื่อโยมนั้นจะได้ไปหาไปกราบทูนสิ่งหนึ่งสิ่งใด น, น, นั้นเป็นการยาก เราะฉะนั้นเวลุวันวเวลุ ว, วโนทยานนั้นอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลนักและก็อยู่ไม่ไกลนักในเวลาค่ามคืนนั้นเงียบไปด้วยเสียงต่างๆเป็นการสะดวกที่จะไปหาในเวลาที่ไม่ใช่การได้ดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ทรงจับพระเต้าทองหลังสุคนทวาลีให้ตกต้องที่พระหัตถ์ของพระบรมศาสดา ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารนั้นให้เป็นที่อยู่ของพระองค์พร้อมโดยพิสุสงฆ์ในครั้งนั้นเองปรากฏว่าพื้นปตพีนั้นได้กำมนนาฏวัดไหวพระองค์ก็ได้อธรรมอนุโมทนาแล้วพร้อมโดยภิสุสงฆ์ทั้งหลายก็เสด็จมาอย่างเวฬุวันมหาวิหารสำหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทุกท่านด้วยกัน ขอจเจริญพร